ทั้งทุกข์และสุขปฏิบัติให้ถูกมีแต่สุขทุกข์ไม่มีเมื่อเริ่มออกเดินทางจับเรื่องได้จับจุดถูกได้หลักใหญ่ดังที่ว่าแล้วต่อจากนั้นไปในระหว่างทางหรือตลอดทางก็มีหลักย่อยในการปฏิบัติต่อความสุขและความทุกข์ไว้ช่วยอีก เป็นข้อสําคัญที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยตรงและพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือวิธีปฏิบัติต่อความสุขซึ่งก็รวมวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์ไว้ด้วยในตัววิธีปฏิบัติต่อความสุขนี้ขอว่าไปตามพุทธพจน์ที่แสดงไว้ในพระสูตรชื่อว่าเทวทสูตรมีสี่ข้อง่ายๆคือหนึ่ง ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสา3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หมกมุ่นสยบ 4. เพียรทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปในวงเล็บโดยในยะว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุดในข้อหนึ่ง ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์จะเห็นว่าคนเรานี้ชอบเอาทุกข์มาทับถมตนคือตัวเองอยู่ดีๆไม่ได้เป็นทุกข์อะไรแต่ชอบหาทุกข์มาใส่ตัวตัวอย่างง่ายๆได้แก่คนกินเหล้าเมายา เ, ยาเสพยาเสพติดตัวเองก็อยู่สบายๆกลับไปเอาสิ่งเหล่านั้นที่รู้กันอยู่ชัดๆว่ามีโทษมากตั้งแต่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ทั้งที่รู้อย่างนี้ก็เอามาใส่ตัวเองให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นมาลึกเข้าไปทางจิตใจบางคนก็เที่ยวเก็บอารมณ์อะไรต่างๆที่กระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆทางตาบ้างทางหูบ้างได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เห็นคนนั้นคนนี้เขาทำอันนั้นอันนี้ได้ยินเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็รับเข้ามาเก็บเอาไว้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆผ่านไปแล้ว แต่พอมีเวลาไปนั่งเงียบๆก็ยกเอามาคิดเอามาปรุงแต่งในใจทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่สบายใจก็กลายเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนอย่างหนึง่งทางพระก็สอนว่าพวกที่ยังอยู่กับชีวิตในระดับชาวบ้านนั้นถ้าจะปรุงแต่งก็ไม่ว่าแต่ขอให้ปรุงแต่งในทางดีอย่าไปปรุงแต่งไม่ดี ถ้าปรุงแต่งไม่ดีท่านเรียกว่าอะปุญญาพิสังขารได้แก่ปรุงแต่งเรื่องร้ายเรื่องบาปอกุศลเป็นเรื่องโลภโทสะโมหะก็กลายเป็นปรุงแต่งทุกข์ท่านให้เปลี่ยนใหม่ให้มีสติมากัน้นมายัง้งด้านที่ไม่ดีให้หยุดไปเลยแล้วก็ปรุงแต่งดีๆให้เป็นปุญญาพิสังขารให้เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศล ปรุงแต่งจิตใจในทางที่ดีอย่างน้อยให้มีปราโมดต่อไปปีติปัสสิเข้าทางดีไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้และเดินหน้าไปในทางของความสุขในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสถึงพวกนิครณที่บำเพ็ญตบะคนพวกนี้เอาทุกข์มาทับถมตนช ắt, ัดๆเวลาโกนผมก็ไม่ใช้วิธีโกน แต่เอาแหนบมาถอนผมทีละเส้นทีละเส้นจนหมดศรีรษะพวกนักบำเพ็ญตะบะนั้นคิดวิธีขึ้นมาทำกันต่างๆแม้แต่เตียงที่ดีๆจะทรมานตัวเองก็เอาตะปูไปตอกๆแล้วก็นอนบนตะปูหรือนอนบนน้ำแล้วก็อดข้าวอดน้าเวลาหนาวก็ไปยืนแช่ตัวในะแม่น้ำเวลาร้อนก็มายืนตากที่กลางแดดอย่างนี้เป็นต้น การบำเพ็ญตบะเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์ก็นำมาเล่าไว้เป็นการยกอดีตมาให้ฟังเพื่อจะได้เทียบเคียงสำหรับยุคปัจจุบันก็ขอนึกตัวอย่างเอาเองตามหลักที่ว่าไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์นี้ในข้อสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบรมความสุขที่ชอบรม ก็มีทั่วๆไปอย่างชาวบ้านที่ประกอบการงานอาชีพสุจริตได้เงินทองมาก็ใช้จ่ายบริโภคเลี้ยงดูครอบครัวและผู้คนที่ตนรับผิดชอบตามหลักความสุขของชาวบ้านคือขี้สุขสี่อย่างว่าสุขจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากความไม่เป็นหนี้และสุขจากประกอบกรรมดีงามอันปราศจากโทษ จากการทำกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมที่สุดจริตความสุขที่ไม่มีการบีดเบียนใครเป็นต้นถ้าเป็นสุขที่ชอบทำอย่างนี้ท่านไม่ให้ละเลยทอดทิ้งความสุขที่ชอบทำมีนานับประการพูดตามหลักโน้นตามหลักนี้ได้มากมายอย่างที่ผ่านมาแล้วก็มีสุขได้ทั้งนั้นจะเอาสุขจากทานศีลภาวนาก็ได้ ซึ่งสูงขึ้นไปถึงสุขในการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือจะเอาสุขจากชุดเมตตากรุณาหรือชุดสังคหวัตถุได้ทั้งนั้นคงไม่ต้องอธิบายอีกรวมความก็คือสุขที่ชอบทำเหล่านี้ไม่ต้องไปรังเกียจไม่ต้องไปละทิ้งแต่พวกละทิบําเพนตะบะเขามุ่งทรมานตนเขาจึงหลีกเลี่ยงความสุขต่อไปข้อที่สาม แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หมกมุ่นไม่สยบข้อนี้สำคัญมากเป็นการพัฒนาก้าวหน้าไปไกลเพราะว่าเมื่อประสบความสุขที่ชอบทำเราไม่ละทิ้งเรามีความสุขอย่างนั้นได้นั่นก็ดีอย่างยิ่งแล้วแต่คนก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมากับความสุขนั้นได้อีกนั่นก็คือเกิดความติดความหลงเพลินหมกมุ่น ที่จะทำให้ขี้เกียจทำให้ประมาทแล้วก็ทำให้เสื่อมได้ใครผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะเป็นผู้ที่ได้พัฒนาในขั้นที่สำคัญพูดรวบรัดว่าแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่สยบไม่หลงติดไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องในขั้นนี้ก็จะเป็นการพัฒนาที่สำคัญคือความสุขไม่อาจครอบงาเราได้หนึ่ง ไม่ทําให้เราตกลงไปในความประมาทความสุขไม่กลายเป็นโทษ 2. ไม่ทําให้เราสูญเสียอิสระภาพเราไม่ตกเป็นทาสของความสุขยังคงเป็นอิสระอยู่ได้ 3. เปิดโอกาสให้การพัฒนาความสุขเดินหน้าก้าวต่อสูงขึ้นไปสุดท้ายข้อ4เพียงกันจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป เป็นขั้นจะไปให้ถึงความสุขที่สมบูรณ์เด็ดขาดหมายความว่าตราบใดเหตุแห่งทุกข์ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ทุกข์ยังมีเชื้ออยู่ก็ยังไม่จบสิน้นทุกขก็ยังเกิดขึ้นอีกได้ยังมีทุกแฝงอยู่ก็เป็นความสุขที่ยังไม่สมบูรณ์จึงต้องกำจัดเหตุแห่งทุก์ให้หมดสิ้นไปจากข้อนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทาไมท่านจึงใช้คาว่า ดับถุกเพราะเป็นคําที่ชี้ชัดและเด็ดขาดถ้าบอกว่าพัฒนาความสุขนั่นก็ดีก็พัฒนาก้าวหน้ากันไปแต่อย่างที่บอกแล้วคือเป็นแบบปลายเปิดไม่รู้จุดหมายที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ชัดลงไปในช่วงต้นบอกผ่านมาทั้งเชิงลบเชิงบวกแล้วในที่สุดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต้องปิดรายการด้วยคําเชิงลบ ให้เด็ดขาดว่าทุกไม่เหลือแล้วมีแต่สุขอย่างเดียวเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามคำว่าเพียรกำจัดก็บอกอยู่ในตัวว่าการกำจัดเหตุแห่งทุกนั้นก้าวไปกับความเพียรเหตุแห่งทุกไม่ใช่ว่าจะต้องหมดปุ๊บปับป๊บเช่นทำให้โลภะโทสะโมหะลดน้อยลงไปตัณหามานะทิฏฐิ เบาบางลงไปซึ่งก็จะดำเนินไปด้วยการปฏิบัติตามมักมีการเจริญศีลสมาธิปัญญาบัรเทากิเลส ท, ทั้งหลายลดอวิชชาลงไปเมื่อพูดเชิงสัมพัสนี่ก็คือการทำความสุขให้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อสีนี้พูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือการพัฒนาความสุขนั่นเองแต่เพื่อให้ชัดเจนก็บอกกากับไว้ได้วยว่าพัฒนาจนสูงสุด หรือจนสมบูรณ์จึงได้ใส่ในวงเล็บไว้ได้ว่าโดยนยะว่าเพียงปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุดก็คือพัฒนาจนถึงความสุขที่สมบูรณ์ที่เป็นบรมสุขนั่นเองทั้งนี้จะทำสำเร็จอย่างนั้นได้ก็ต้องรับกันกับข้อสที่ว่าแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่หมกมุ่นสยบไม่มัวติดเพลินแล้วประมาท จมหยุดปล่อยตัวอยู่แค่นั้นหรือทะเลถลายออกไปพอข้อสามเปิดโอกาสให้ความเพียรก็พาขึ้นมาข้อสี่ต่อไปเป็นอันจบกระบวนนี่ก็คือวิธีปฏิบัติต่อความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้แล้วทีนี้เรื่องการปฏิบัติต่อความสุขนี้อาจนำมาพูดง่ายๆโดยจับเอาจุดที่เด่นในการใช้ประโยชน์ของเรา ซึ่งอาจจะเรียกว่าจุดเน้นในการปฏิบัติเป็นสี่อย่างคือหนึ่งไม่ประมาทข้อนี้สำหรับคนทั่วไปรีบยกขึ้นมาตั้งเป็นหลักจำเพื่อเตือนใจให้มีสติไว้แต่ต้นเพราะความสุขนี้ชวนให้เพลิดเพลินหลงไหลแล้วก็ผัดเพียนเฉื่อยชาเกียจคร้านประมาทอย่างที่ว่าแล้วจึงต้องระวังไม่ให้เกิดความประมาทดูสิ คนสำคัญวงตระกูลสังคมประเทศชาติจนถึงอารยธรรมใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองขึ้นมาแทบทุกรายพอจเจริญ ง, งอกงามถึงจุดหนึ่งแล้วก็มักรุ่มหลงมัวเมาแล้วก็จะถึงจุดจบล่มสลายพินาศหายไปเรื่องราวมากมายในประวัติศาสตร์บอกให้เรารู้เท่าทันไว้อย่างนี้ในครอบครัวนี่แหละสาคัญนักคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ประมาท แม้แต่เมตตาที่แสนดีพอมีมากเกินไปดีแต่เอา อ, อกเอาใจได้แต่โอ๋บำรุงบำเรอลูกเป็นการใหญ่จนมากเกินไปไม่รู้จักเอาอุเบกขาเข้ามาดุนไปไปมามาลูกกลายเป็นอ่อนแอประมาทไม่พัฒนาเผชิญชีวิตไม่ได้ไปแต่ในทางหลงมัวเมาแล้วครอบครัวก็เสื่อมลง วงตระกูลเสียหายถึงแม้แต่ละคนก็เหมือนกันตอนแรกมีความเพียรพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวมาอย่างดีแต่พอมั่งข้างเพลงปรีมีสุขเต็มที่ทีนี้ก็หลงมัวเมาประมาทแล้วก็ตกลงไปในทางแห่งความเสื่อมเป็นอันว่าหนึ่งในความสุขนั้นระวังไว้อย่าได้ประมาท 2. ใช้เป็นโอกาสเมื่อกี้บอกแล้วว่า ยามมีทุกข์เราถูกบีบคั้นอึดอัดขัดข้องจะทําอะไรก็ยากไปหมดต้องใช้ความเพียรมากแต่นั่นก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะเมื่อมันติดขัดมันยากเราก็ยิ่งเพียรพยายามมากเราก็เลยได้เรียนรู้ได้ฝึกได้หัดได้พัฒนาตนมากพอทําให้เหมาะกลายเป็นเจริญงอกงามมีความสําเร็จกันใหญ่ ที่นี้ความสุขละ่ะดีอย่างไรสุขนั้นชื่อบอกอยู่แล้วคือแปลว่าคล่องว่าสะดวกว่าง่ายนี่ก็ดีไปอีกแง่หนึง่งคือเมื่อมันสะดวกมันคล่องมันง่ายจะทำอะไรหรือมีอะไรจะต้องทำก็รีบทำเสียนี่หละคือเมื่อความสุขมาก็ใช้มันเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นพอมีความสุขขึ้นมาก็ต้องรีบใช้เป็นโอกาส มันคล่องมันสะดวกมันง่ายจะทำอะไรก็ทำแทนที่จะถูกสุขล่อไปตกหลุมแห่งความลุ่มหลงให้มัวเพลินผัดเพี้ยนประมาทเรามีปัญญาเข้มแข็งไปในทางตรงข้ามกลับใช้ความสุขเป็นโอกาสขนขวายจัดเร่งรัดทำทีนี้ก็ดีกันใหญ่ยิ่งจเจริญงอกงามพัฒนายิ่งขึ้นไปถ้าเป็นคนที่พัฒนาอย่างนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกมา ก็เอาประโยชน์ได้ทั้งนั้นและที่ชื่อว่านักปฏิบัติธรรมก็คือต้องทำได้อย่างนี้โดยรู้จักใช้โยนิโสมนสิการคือคิดเป็นคิดแยกขายไม่ว่าดีว่าร้ายมามองเห็นประโยชน์ได้หมดอ๋อสุขมาแล้วเออดีคราวนี้คล่องสบายง่ายสะดวกโอกาสให้ฉันทำเต็มที่อ๋อทุกมาเหรอเออ ดีมันยากจะได้เพียงกันใหญ่เข้ามาเถอะฉันสู้เต็มที่คติของนักฝึกตนบอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากเป็นจริงได้อย่างไรฝากให้ไปคิดกันดูข้อหนึ่งว่าไม่ประมาทข้อสองว่าใช้เป็นโอกาสก็รับช่วงต่อกันไปไม่ว่าในสุขในทุกข์เราเอาประโยชน์ได้จึงดีทั้งนั้นสมไม่พึ่งพา อิสระภาพเป็นคุณลักษณะสำคัญเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาคนจะมีอิสระภาพแท้จริงได้ต้องมีอิสระภาพของจิตใจเป็นฐานและความเป็นอิสระของจิตใจนั้นก็เด่นขึ้นมาที่ความเป็นอิสระจากความสุขความเป็นอิสระจากความสุขนี้ก็เหมือนต่อขึ้นมาจากข้อแรกที่ว่าไม่ประมาทคือไม่ถูกความสุขครอบงาทาให้หลงมัวเมา แล้วตกไปในความประมาทข้อนั้นอยู่แค่ด้านลบข้อนี้พ้นไปได้เลยไม่ต้องพึ่งพาคนที่พัฒนาดีเป็นคนที่สามารถมีความสุขแต่ก็สามารถเป็นอิสระไม่ติดไม่ต้องพึ่งพาไม่ขึ้นต่อความสุขนั้นคนที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วทั้งมีความสุขที่ไม่พึ่งพาและไม่ต้องพึ่งพาความสุขนั้นด้วย เมื่อเป็นอิสระยังรักษาอิสระภาพไว้ได้จึงจะสามารถก้าวหน้าพัฒนาต่อไป 4. พัฒนาต่อไปก็คือบอกหรือเตือนว่ายังต้องไปต่อข้างหน้าหรือสูงขึ้นไปยังมีอีกเป็นนั้นว่ารับกันสอดคล้องกันหมดตั้งแต่หนึ่งไม่ประมาทสอง ใช้เป็นโอกาสจนถึงสมไม่พึ่งพาแล้วก็สี่คือมาพัฒนาสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปให้กําจัดเหตุแห่งทุกข์ได้จนหมดสิ้นทั้งมีความสุขอยู่และพัฒนาอย่างมีความสุขแล้วก็พัฒนาสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปอีกจนถึงความสุขที่สูงสุดเป็นกระบวนการของความสุขทั้งหมดมีแต่ความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาความสุขนั้น